ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งชามหนึ่งนี่เราเคยนึกบ้างไหมว่ามันใช้น้ําเท่าไหร่กว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ําถ้วยเดียวเท่านั้นนะมีคนก็คํานวณว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยใช้น้าประมาณพันลิตรนะพันลิตรพันลิตรนี่มาจากไหนนะในเมื่อน้ําที่เรากินจากชามก๋วยเตีย๋ยมก็นิดเดียวเอง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 เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ธั ญ, ญพืชนะไอ้ธั ญ, ญพืชพวกนี้ก็จะปลูกได้ก็ต้องใช้น้ํานะถ้เบื่งหลังกว๋วยเตี๋ยวนี่มันใช้น้ําเยอะมากนะยังไม่นับถึงแรงแรงงานที่ใช้นะบางคนคิดว่านี่โหยพันลิตรนี่ก็เยอะแล้วนะถ้าไปเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วนี่ชิดซ้ายเลยนะแฮมเบอร์เกอร์ใช้น้ําเท่าไหร่รู้หมหนึ่งหมื 11, ่นหนึ่งพันลิตรนะสิบเอดเท่าของกว๋วยเตีย๋ยนะ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 แปลสภาพมาเป็นเนื้อหนึ่งชิ้นให้เราได้กินนะในแฮมเบอร์เกอร์และธัญพืชเหล่นี้เนี่ยไปปลูกที่ไหนนะก็ปลูกในพื้นที่ ท, ที่เป็นเขตป่าถางป่าเพื่อที่จะปลูกทั่วปลูกธัญพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งก็ใช้พื้นที่ป่าประมาณห้าตารางเมตรนะโดยเฉลี่ยนะพื้นที่ป่า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 หนานแน่นมากนะไม้ต้นใหญ่ๆหลายคนโอบนะแต่ว่าก็ถูกโค่นนะถูกทำลายนะโดยบริษัททำไม้นะมก็เพื่อเอาไปส่งออกได้เงินตราต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองพัฒนากรุงเทพให้เจริญอันนี้แหละก็คือนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะความสะดวกสบาย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 เขาประมาณว่าเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยผลิตอาหารประมาณ3ามพันล้านตันแต่ว่าที่เสียไปโดยที่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เลยประมาณหนึ่งพันล้านตันหรือหนึ่งในสามไอ้พวกนี้เนี่ ย, ย ก, กว่าจะผลิตขึ้นมาได้ก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากใช้น้ำมหาศาลนะใช้พลังงานมากมายเช่นใช้ในการขนส่งน้ำมันก็มีจำกัดนะ